ปัจเจนีกับบุคลคลจกขุนตริีมูรกไนสายห้าอนุโลมปุจฉาจกขุนสีของบุคคลใดไม่ใช่กำลังเกิดโสตินทรีของบุคคลนั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิจัตชนาเคยเกิดปฏิโรมปุจฉาโสตินสีของบุคคลใดไม่เคยเกิดจกขุนสีของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดมีไหมวิจัตชนาไม่มีอนุโลมปุจฉา จากขุนศีของบุคคลใดไม่ใช่กำลังเกิดคานินรีของบุคคลนั้นก <ค implication. S 2> ็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาเคยเกิดปฏิรลมปุชชาคานินรีของบุคคลใดไม่เคยเกิดจากขุนศีของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดมีไหมวิจัชนาไม่มีอนุโลมปุชชาจากขุนรีของบุคคลใดไม่ใช่กำลังเกิดอิตินรีและปุริศินศีของบุคคลนั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหม วิจัดชนาเคยเกิดปฏิโรมปุขฉาปริตินทรีย์ของบุคคลใดไม่เคยเกิดจากขุนศีของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กําลังเกิดมีไหมวิจัดชนาไม่มีอนุรมปุจฉาจากขุนศีของบุคคลใดไม่ใช่กําลังเกิดชีวิตินทรีย์ของบุคคลนั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิจัดชนาเคยเกิดปฏิโรมปุขฉาชีวิตินทรีย์ของบุคคลใดไม่เคยเกิด จากขุนศีของพวกคลนั้ น, น ก, กน็ไม่ใช่กำลังเกิด ม, ม, ไมดีไหมวิจัดชนาไม่มีอนุโลมปุจฉาจากขุนศีของพวกคลใดไม่ใช่กำลังเกิดโสมนณสินศรีละเปกินศรีของพวกคลนั้นกน็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิจัดชนาเคยเกิดปฏิโลมปุจฉาอุเปกินศรีของพวกคลใดไม่เคยเกิดจากขุนศรีของพวกคลนั้นกน็ไม่ใช่กำลังเกิดมีไหมวิจัดชนาไม่มี อุโลมปุจฉาจากขุนศีของบุคคลใดไม่ใช่กําลังเกิดสัตทินศีและปัญญินศีและมณีศีของบุคคล น, นั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิจัดชนาะเคยเกิดปฏิโลมปุจฉามณีศีของบุคคลใดไม่เคยเกิดจากขุนศีของบุคคล น, นั้นก็ไม่ใช่กําลังเกิดมีไหมวิจัดชนาะไม่มีละจากขุนทริยมุรก า, ายัยจบ ปั ญ, ญนตริยมูลกนัยสา้ยห้าสิบห้าอนุโลมปุชชาปัญญรี่ของบุคคลใดไม่ใช่กำลังเกิดมนินทรี่ของบุคคลนั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิจัตชนาะเคยเกิดปฏิโลมปุชชามนินทรี่ของบุคคลใดไม่เคยเกิดปัญญรี่ของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดมีไหมวิจัตชนาะไม่มีปั ญ, ญนตริยมูลกนัยจบ ปัจจณีกัโอกาส356อนุโลมปุชชาจากขุนสีในภูมิใดไม่ใช่กำลังเกิดโสตินสีในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมละปัจจณีกะปุคโลอกาสจจกขุนตริยมุรการิสามอนุโลมปุชชาจาก 4, ขุนสีกับบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กำลังเกิด โสตินสีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิจัดชนะบุคคลผู้กำลังอยู่ติจากปัญจโวการภูมิบุคคลผู้มีจะกครเกิดไม่ได้กำลังอุบัติในกามาวาจรภูมิจากขุนสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิดแต่โสตินรีไม่ใช่ไม่เคยเกิดบุคคลผู้กำลังปรินิพานในสุทาวาสภูมิบุคคลผู้บาดอยู่ในอสัญญาสัตตภูมิและอรูปภูมิ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 บุคคลผู้กําลังปรินิพพานในสุทาวาตภูมิบุคคลผู้บาดอยู่ในสัญญาสัตตภูมิและอรูปภูมิโสตินตรีก็บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยเกิดและจากขุนทีก็ไม่ใช่กําลังเกิดอนุรมปุจฉาจากขุนทรีก็บุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กําลังเกิดคานินทรีก็บุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิจัตชนาะ บุคคลผู้กำลังจุติจากกามาวจรภูมิบุคคลผู้มีจักขู่เกิดไม่ได้กําลังอุบัติในกามาวจรภูมิจากขุนตีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กําลังเกิดแต่คานินทรียไม่ใช่ไม่เคยเกิดบุคคลผู้กําลังจุติจากกามาวจรภูมิบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญาสัตตภูมิและอรูปภูมิจากขุนตีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กําลังเกิดและคานินทรีย์ก็ไม่เคยเกิด ปฏิโดมปุชช า, าคานินสีขอมบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยเกิดจากขุนสีขอมบุคคล น, นั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิจัดชนาะบุคคลผู้กำลังบัตในรูปปาวจรภูมิคานินสีขอมบุคนเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยเกิดแต่จากขุในสีไม่ใช่ไม่กำลังเกิดบุคคลผู้กำลังจุติจากรูปาวจรภูมิบุคคลผู้บัตอยู่ในอาัญรย์ัตตพูมิและอรูปภูมิ คาเนินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยเกิดและจากขุนสี่ก็ไม่ใช่กำลังเกิดอนุโลมปุจฉาจากขุนสี่กับบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กำลังเกิดอิถฉินรี่และปุริสินรี่กับบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมพิจาชนาะบุคคลผู้กำลังจุติจากกามาวจรภูมิบุคคลผู้มีจกักรเกิดไม่ได้กำลังอุบัติในกามาวจรภูมิ จากขุนศีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กําลังเกิดแต่ปุริสินศีไม่ใช่ไม่เคยเกิดบุคคลผู้กำลังจุติจากปรูปาวจรภูมิบุคคลผู้บาดอยู่ในอสัญญาสัตตภูมิและอรูปภูมิจากขุนศีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กําลังเกิดและปุริสินศีก็ไม่เคยเกิดปฏิโดมปุชชาปุริสินศีของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยเกิด จากขุนศีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมพิจารณาบุคคลผู้กำลังอุบัติในรูปาวจรภูมิปุริสินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยเกิดแต่จากขุนศีไม่ใช่ไม่กำลังเกิดบุคคลผู้กำลังจุติจากรูปาวจรภูมิบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญาัตภูมิและอรูปภูมิปุริสินศีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้น ไม่เคยเกิดแต่จากขุนศีก็ไม่ใช่กําลังเกิดอนุโลมปุชชาจากขุนศีของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กําลังเกิดชีวิตินรีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิจัดชนาบุคคลทั้งหมดผู้กําลังจุติบุคคลผู้มีจากขู่เกิดไม่ได้กําลังอุบัติจากขุนศีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กําลังเกิดแต่ชีวิตินรีไม่ใช่ไม่เคยเกิด บุคคลผู้กำลังปรินิพานในสุทาวาตภูมิจากขุนสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิดและชีวิตินทรีย์ก็ไมม่เเคยยกิิิิดดปปฏโุจฉาชีีวตนทร์ของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยเกิดจากขุนสีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิจัดชนาบุคคลผู้กำลังอุบัติในสุทธาวาตภูมิชีวิตินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยเกิด แต่จากขุนศรีไม่ใช่ไม่กำลังเกิดบุคคลผู้กำลังปรินิพานในสุทาวาตภูมิชีวิตินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยเกิดและจากขุนสีก็ไม่ใช่กำลังเกิดอนุโลมปุจฉาจากขุนสีของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กำลังเกิดโสมนัสิินทร์ศรของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิจัดชนาะบุคคลผู้กำลังจตีจากปัญจโวการภูมิ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 สมนณสิสีของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยเกิดจกขุนสีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้กำลังอุบัติในสุทาวาตภูมิโสมนณติสีของบุคคลเหล่านั right? Now, ้นในภูมินั้นไม่เคยเกิดแต่จะขุนสีไม่ใช่ไม่กำลังเกิดบุคคลผู้กำลังปรินิพานในสุทธาวาตภูมิบุคคลผู้อบัติอยู่ในอาจญรย์จตัภูมิและอรูปภูมิ โสมนาสินสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยเกิดแต่จากขุนสีก็ไม่ใช่กำลังเกิดอนุโลมปุชชาจากขุนสีของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กำลังเกิดอุเปกขินสีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิจัดชนาบุคคลผู้กำลังจุติจากปันจโวโการาภูมิบุคคลผู้มีจากครูเกิดไม่ได้กำลังอุบัติในกามาวจรภูมิและอรูปภูมิ จะขุนตีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิดแต่อุเปกินตีไม่ใช่ไม่เคยเกิดบุคคลผู้ปรินิพานในสุทาวาตภูมิบุคคลผู้บาดอยู่ในอสัญญัตตภูมิจกขุนตีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิดและอุเปกินตีก็ไม่เคยเกิดปฏิโดมปุชชาอุเปกินตีของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยเกิด จากขุนตีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิตัชนาะบุคคลผู้กำลังอุบัติในสุทธาวาสภูมิอุเปกขินตีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยเกิดแต่จากขุนตีไม่ใช่ไม่กำลังเกิดบุคคลผู้กำลังปรินิพานในสุทธาวาสภูมิบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญยญัตตภูมิอุเปกขินตี ขบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยเกิดและจากขุณสีก็ไม่ใช่กําลังเกิดอนุโลมปุจฉาจากคุณสีของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กําลังเกิดสัตถินสีละปัญญินสีละมณินสีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้กําลังจุติจากปัญจโวการภูมิบุคคลผู้มีจากูเกิดไม่ได้กําลังอุบัติ ในกามาวจรภูมิและอรูปประภูมิจากขุนศีงบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิดแต่มนินทรีไม่ใช่ไม่เคยเกิดบุคคลผู้กำลังปรินิพานในสุทธาวาสภูมิบุคคลผู้บาดอยู่ในอาศัญยศตภูมิจากขุนศีงบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิดและมนินทรียก็ไม่เคยเกิดปฏิโรมปุชชามนินรีของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยเกิด จากขุนสีกรรมบุคคลนั้นในภ grad HS, right, ูมินั <without that dog> ้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิจัดชนาบุคคลผู้กำลังอุบัติในสุทธาวาสภูมิมนณีศีกรรมบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยเกิดแต่จากขุนสีไม่ใช่ไม่กำลังเกิดบุคคลผู้กำลังปรินิพพานในสุทธาวาสภูมิแต่บุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญาสตภูมิมนณีศีกรรมบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยเกิดแต่จากขุนสีก็ไม่ใช่กำลังเกิด จกขุนตริยมูลกนัยจบคานินทริยมูลกนัย385อนุโลมปุชชาคานินสีของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กําลังเกิดอิทธิสีและปุริสินสีบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาะบุคคลผู้กําลังจุติจากกามาวจรภูมิบุคคลผู้มีคานะเกิดไม่ได้กําลังอุบัติในกามาวจรภูมิ คานินสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กําลังเกิดแต่ปุริสินสีมีใช่ไม่เคยเกิดบุคคลผู้อุบัติอยู่ในรูปาวจารภูมิและอรูปาวจารภูมิคานินทสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กําลังเกิดและปุริสินสีก็ไม่เคยเกิดปฏิโดมปุชชาปุริสินสีของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยเกิดคานินทสีของบุคคลนั้นในภูมินั้นไม่ใช่ ก็ไม่ใช่กําลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่อนุโลมปุจฉ้าคานินทสีข้าบุกคลใดในภูมิใดไม่ใช่กําลังเกิดชีวิตินทรีข้าบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลทั้งหมดผู้กําลังจุดติบุคคลผู้มีคานะเกิดไม่ได้กําลังอุบัติคานินทสีข้าบุกคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กําลังเกิดแต่ชีวิตินทรีไม่ใช่ไม่เคยเกิด บุคคลผู้บัตรอยู่ในสุทธาวาสภูมิคานินซียของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กําลังเกิดแต่ชีวิตินรียก็ไม่เคยเกิดปฏิโดมปุจฉ้าชีวิตินรียของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยเกิดชานินรียของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กําลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่อนุโลมปุจฉ้าคานินซียของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กําลังเกิด โสมนัตสินสีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิจัดชนาบุคคลผู้กําลังจุติจากกามาวจรภูมิบุคคลผู้มีคาณเกิดไม่ได้กําลังอุบัติในกามาวจรภูมิและบุคคลผู้บัติอยู่ในรูปาวจรภูมิคานินทรียของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กําลังเกิดแต่โสมนัต ส, สินสีไม่ใช่ไม่เคยเกิดบุคคลผู้ บ, บัติอยู่ในสุทธาวาตภูมิอสัญญาสตภูมิ และอรูปภูมิคาณินทรีย์กับบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กําลังเกิดแต่โสมนัสสินสีก็ไม่เคยเกิดปฏิโดมปุชชาโสมนัสสินสีกับบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยเกิดคานินทรียของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กําลังเกิดใช่ไหมวิจัตชนาใช่อนุโลมปุชชาคานินทรีย์ของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กําลังเกิดอุเปกินสีละสัตินรีละ ปัญญินสีและมนินสีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาะบุคคลผู้กำลังจุดติจากกามาวจรภูมิบุคคลผู้มีคานะเกิดไม่ได้กำลังอุบัติในกาามาวจรภูมิบุคคลผู้บัตอยู่ในรูปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิคานินสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กาลังเกิดแต่มนินรีไม่ใช่ไม่เคยเกิด บุคคลผู้บัตรอยู่ในสุทาวาตภูมิและอสัญญาสัตตภูมิคานินทรียของบุคคล น, นั้นในภูมินั้นไม่ใช่กําลังเกิดและมนินทรียก็ไม่เคยเกิดปฏิโมดมปุจฉามนินรียของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยเกิดคานินทรีย์ของบุคคล น, นั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กําลังเกิดใช่ไหมวิจตัชนาใช่คานินทริยมูลกนัยจบอิถินตริยมูลกนัย 359อนุโลมปุจฉาอิทินิสัยของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กําลังเกิดปุริสินิสัยของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิจัดชนาบุคคลผู้กําลังจุติจากกามาวจรภูมิบุคคลผู้มีอิทธิเกิดไม่ได้กําลังอุบัติในกามาวจรภูมิอิทธินิสัยของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กําลังเกิดแต่ปุริสินิสียไม่ใช่ไม่เคยเกิด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 อิทินรีของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กําลังเกิดชีวิตินทรียของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมพิจาชนาบุคคลผู้กําลังจุตีจากกามาวจรภูมิบุคคลผู้มีอิทธิ์เกิดไม่ได้กําลังอุบัติในกามาวจรภูมิแต่บุคคลผู้บัติอยู่ในรูปาราฏจรภูมิอรูปาวจรภูมิอิทธินรีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กําลังเกิดแต่ชีว Paris, ิต in ินทรียไม่ใช่ไม่เคยเกิด บุคคลผู้บาดอยู่ในสุทาวาตภูมิอิทถิ์รีของบุคคลนั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิดแต่ชีวิตินทรียีก็ไม่เคยเกิดปฏิโลมปุจฉาชีวิตินทรียีของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยเกิดอิทธิ์รีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิด mm. ใช่ไหมวิจัชนาใช่อนุโลมปุจฉาอิทธิทรียของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กำลังเกิด โสมณสินสีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาะบุคคลผู้กำลังจุติจากกามาวจรภูมิบุคคลผู้มีอิทธิเกิดไม่ได้กำลังอุบัติในกามาวจรภูมิและบุคคลผู้บัติอยู่ในรูปปาวจรภูมิอิทธินสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิดแต่โสมณตินสีไม่ใช่ไม่เคยเกิดบุคคลผู้บัติอยู่ในสุทธาวาสภูมิอสัญญสตปภูมิ และอรูปปภูมิอิตินตีของบุคคลเหล่านั้นใ น, น, น, ใ น, น, นในภูมินั้นไม่ใช่กําลังเกิดและม น, นินรียก็ไม่เคยเกิดปฏิโลมปุจฉาโสมนัตินตีของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยเกิดอิตินทรีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กําลังเกิดใช่ไหมวิตัจฉนาใช่อนุโลมปุจฉาอิตินรีของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กําลังเกิด อุปเปกินสีละสัตถินสีละมันปัญญินสีละมันินสีกองบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมพิ่ตัดชนาะบุบคคลผู้กําลังจุตีจากกามาวจรภูมิบุคคลผู้มีอิทธิเกิดไม่ได้กําลังอุบัติในกามาวจรภูมิรูป า, าวจรภูมิและอรูป า, าวจรภูมิอิทธินสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กําลังเกิดแต่มันินสีไม่ใช่ไม่เคยเกิด บุคคลผู้บัตรอยู่ในสุทาวาตภูมิและอสัญญาสัตตภูมิอิทธินีกับบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กําลังเกิดและมนินทีก็ไม่เคยเกิดปฏิโดมปุชชามนินทีกับบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยเกิดอิถินีกับบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กําลังเกิดใช่ไหมวิตนะัชชาใช่อิถินิยมุรักเกนยัยจบ ปริสินทริยะมูรกนัยสามอยหกสอนุโลมปุชชาปุริสินตีของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กำลังเกิดชีวิตินทรีย์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิจัตชนาะบุคคลผู้กำลังอยู่ตีจากกามาวจรภูมิบุคคลผู้มีปุริสาเกิดไม่ได้กำลังอุบัติในกาามาวจรภูมิบุคคลผู้บัดอยู่ในรูปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิ <ภ> <BE> ปุร right ิสินรียของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิดแต่ชีวิตินทรียไม่ใช่ไม่เคยเกิดบุคคลผู้บาดอยู่ในสุทธาวาสภูมิปุริสินรีย์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิดและชีวิตินทรีย์ก็ไม่เคยเกิดปฏิโดมปุจฉั่ชีวิตินทรีย์ของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยเกิดปุริสินรียของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิจัดชนาใช่ อนุลมปุจฉาปุริสินตีกรรมบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กําลังเกิดโสมนัสสินตีกรรมบุคคลนั้นในปุ่มนั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิจัดชนะาบุคคลผู้กําลังจุติจากกามาวจรภูมิบุคคลผู้มีปุริจเกิดไม่ได้กําลังอุบัติในกามาวจรภูมิและบุคคลผู้บัดอยู่ในรูปาวจรภูมิปุริสินตีกรรมบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กําลังเกิด แต่โสมณตินตีไม่ใช่ไม่เคยเกิดบุคคลผู้บาดอยู่ในสุทาวาตภูมิอศัญญศจรรจัตตภูมิและอรู ป, ปรภูมิปุริสินตีกับบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิดและโสมณตินตก็ไม่เคยเกิดปฏิโลมปุจฉาโสมัณสินตีกับบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยเกิดปุริสินตีกับบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิตัชชนาะใช่อนุโลมปุจฉา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 ปุริสินรีของบุคคลเหล่านั้นในปู่มนั้นไม่ใช่กำลังเกิดแต่มนินรีไม่ใช่ไม่เคยเกิดบุคคลผู้บัดอยู่ในสุทาวาตภูมิและอสัญญัตตาปุ่ปุริสินรียของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิดและมนินทรียก็ไม่เคยเกิดปฏิโดมปุชชามนินทรีของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยเกิดปุริสินสียของบุคคลนั้นในปูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิตัชชาใช่ ปริสินตรียมุรกไนจบชีวิตอินทรียมุรกไนสย361อนุโลมปุชชาชีวิตินทรี ย, ยร์ของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กําลังเกิดโสมนณสินทรีขบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิจัดชนาะบุคคลผู้กําลังตุตีจากจตโวการะภูมิและปัญจโวการะภูมิในพังค์คณาแห่งจิตในประวัติการ ชีวิตินทรียีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิดแต่โสมนัสตินทร์สีไม่ใช่ไม่เคยเกิดในพังคขณะแห่งอุปติจิตของบุคคลผู้บัดในสุทาวาตภูมิบุคคลผู้กำลังจุติจากอสัญญาตตะภูมิชีวิตินทร์สีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิดแต่โสมนัสตินทรียีก็ไม่เคยเกิดปฏิโดมปุชชาโสมนัสตินทรียีของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยเกิด ชีวิตติณฑ์ตีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาในอุปาทขศนาแห่งอุปติจิตของบุคคลผู้บัตรอยู่ในสุทธาวาสภูมิและบุคคลผู้กำลังอุบัติในอจัญญสัตตภูมิโสมนัสติณร์ตีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิดแต่ชีวิตตินฑรตีไม่ใช่ไม่เคยเกิดในพังคขณะแห่งอุปติจิตของบุคคลผู้อุบัติอยู่ในสุทธาวาสภูมิ บุคคลผู้กําลังจุติจากัตัญจัตตภูมิโสมนัสตินสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยเกิดและชีวิตินรียก็ไม่ใช่กําลังเกิดอนุโลมปุจฉาชีวิตินรียของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กําลังเกิดบุเปกินสีละสัตตินรีละปัญญินรีละมนินทรียของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนา บุคคลผู้กําลังจุติจากจตโวกลาลภูมิและปัญจโวกาลภูมิในพังค์ฆาณาแห่งจิตในประวัติการชีวิตินทรีย์ของบุค 02. คลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กําลังเกิดแต่มนินทรียไม่ใช่ไม่เคยเกิดในพังคขณะแห่งอุปติจิตของบุคคลผู้บาดอยู่ในสุทธาวาสภูมิบุคคลผู้กําลังจุติจากอสัญญาสัตตภูมิชีวิตินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กําลังเกิด แมแินทรียีก็ไม่เคยเกิดปฏิโดมปุจฉามณทรียของบุคคลใดในปมิใดไม่เคยเกิดชีวิตรียของบุคคลนั้นในปมินั้นก็ไม่ใช่กําลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาะบุคคลผู้กําลังอุบัติในสุทาวาตภูมิและอศัศญญาสัตตภูมิมณีสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยเกิดแต่ชีวิตรียไม่ใช่ไม่กําลังเกิด ในพันฆาณะแห่งอุปัฏิจิตของบุคคลผู้บาดอยู่ในสุทาวาตภูมิและบุคคลผู้กําลังจุติจากอ ส, สัญญาสัตตภูมิมนินรีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยเกิดและชีวิตินรีก็ไม่ใช่กําลังเกิดชีวิตินตรียมูลกนัยจบโสมนัสสินทรีมูลกนัยสามร้อยหกสอนุโลมปุจฉา โสมณัตินีีของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กําลังเกิดอุเปกินรีสีละสัตตินรีสีละปัญญินรีสีละมนินสีสีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาะในพังข้ณะแห่งจิตของบุคคลทั้งหมดในอุปาข้าณาแห่งจิตที่วิปยุจจากโสมณัตโสมนัตินสีสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กําลังเกิด แต่มนินทรีไม่ใช่ไม่เคยเกิดบุคคลผู้กําลังอุบัติในสุทาวาตภูมิและบุคคลผู้บาดอยู่ในสัญญาสัตตภูมิโสมนัสสินทรีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กําลังเกิดและมนินทรียก็ไม่เคยเกิดปฏิโดมปุจชามนินทรีของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยเกิดโสมนัสสินทรีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กําลังเกิดใช่ไหมพิจารนาะใช่โสมนัสสินตริยมูรการัย อุเปกินทริยะมูลกนัยสามอนุโลมปุจฉาอุเปกินสีของบุคคลใดในปุิใดไม่ใช่กำลังเกิดสัตทินรีของบุคคลนั้นในปุ მ นั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาะในพังคะขณะแห่งจิตของบุคคลทั้งหมดในอุปาทขณะแห่งจิตที่วิปยุจจากอุเบกขาอุเปกินสีของบุคคลเหล่านั้นในปมินั้นไม่ใช่กำลังเกิด แต่สัดทินสีไม่ใช่ไม่เคยเกิดในพังค์ข้าศนแห่งอุปติจิตของบุคลบาาบคลผู้บัตรอยู่ในสุทาวาตภูมิบุคคลผู้บัตรอยู่ในสัญญาัตตภูมิอุเปกขินสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิดและสัดทินสีก็ไม่เคยเกิดปฏิโดมปุชชาสัดทินสีของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยเกิดอุเปกินสีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหม วิจัชนาบุคคลผู้กำลังอุบัติในสุทาวาตภูมิสัตตินรียของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดแต่อุเปกินรีไม่ใช่ไม่กำลังเกิดในพังคขณะแห่งอุปฏิจิตของบุคคลผู้บัติอยู่ในสุทาวาตภูมิบุคคลผู้บัติอยู่ในอสัญญาัตภูมิสัตตินรียของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยเกิดและอุเปกินรีก็ไม่ใช่กำลังเกิดอนุโลมปุชชา อุเปกินสีของบุคคลใดในปุ่มใดไม่ใช่กำลังเกิดปัญญินรีละมณินรีของบุคคลนั้นในปุ่มนั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนะในพังคะขณะแห่งจิตของบุคคลทั้งหมดในอุปาทะขณะแห่งจิตที่วิปยุทธจากอุเบขาอุเปกินสีของบุคคลเหล่านั้นในปุ่มนั้นไม่ใช่กำลังเกิดแต่มณินรีไม่ใช่ไม่เคยเกิด ในพังคขณะแห่งอุปติจิตของบุคคลผู้บัติอยู่ในสุทาวาตภูมิบุคคลผู้บัติอยู่ในอสัญญาสัตตภูมิอุเปกินสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กําลังเกิดและมะนินทรียก็ไม่เคยเกิดปฏิโดมปุชชามนินทรีของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยเกิดอุเปกินสีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กําลังเกิดใช่ไหมวิจัดชนาบุคคลผู้กําลังอุ บ, บัติในสุทธาวาตภูมิ มนิรียีของบุคคลเหล่านั้นในภูม่มนั้นไม่เคยเกิดแต่อุเปกินรีไม่ใช่ไม่กำลังเกิดในพังค์ขณะแห่งอุปติจิตของบุคคลผู้บัตรอยู่ในสุทธาวาสภูมิบุคคลผู้บัตรอยู่ในอสัญญาจัตภูมิมนมณีศีของบุคคลเหล่านั้นในปุ่มนั้นไม่เคยเกิดและอุเปกินรีก็ไม่ใช่กำลังเกิดอุเปกินตรียะมูลกนยจบสัตถินตรียะมูลกนยัย364 อนุโลมปุจฉาสัตทินสีของบุคคลใดในปุ მ ใดไม่ใช่กําลังเกิดปัญญรียและมณินทรียของบุคคลนั้นในปุ მ นั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาะในพันทัศนาแห่งจิตของบุคคลทั้งหมดในอุปาทัศนาแห่งจิตที่วิปยุตจากศรัทธาสัตทินสีของบุคคลเหล่านั้นในปุ მ นั้นไม่ใช่กําลังเกิดแต่มณินรียไม่ใช่ไม่เคยเกิด ในพันธขณะแห่งอุปาติจิตของบุคคลผู้บัตรอยู่ในสุทาวาตภูมิและอสัญญัตต ภ, ภูมิสัตตินตียของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กําลังเกิดและมนินตียก็ไม่เคยเกิดปฏิโดมปุจ ช, ชามนินตียของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยเกิดสัตตินตียของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ไม่ใช่กําลังเกิดใช่ไหมวิตัชชนาะ บุคคลผู้ ก, กําลังอุบัติในสุทธาวาตภูมิมนินทรียของบุคคลเหล่านั้นในภูมิ น, นั้นไม่เคยเกิดแต่สัตทินทรียไม่ใช่ไม่กําลังเกิดในปังธขณะแห่งอุปติจิตของบุคคลผู้อุบัติอยู่ในสุทาวาตภูมิและอสัญญาสัตตภูมิมนินทรียของบุคคลเหล่านั้นในภูมิ น, นั้นไม่เคยเกิดและสัตทินทรียก็ไม่ใช่กําลังเกิดสัตทินตรีมูลกนยัยจบปัญญทรีมูลกนยัย 365อนุโลมปุจฉาปัญญีสีของบุคคลใดในปุ მ ใดไม่ใช่กําลังเกิดมนิณีสีของบุคคลนั้นในปุ მ นั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาะในพันคขณาแห่งจิตของบุคคลทั้งหมดในอุปาทขณะแห่งจิตที่วิปยุตจากยานปัญญิีสีของบุคคลเหล่านั้นในปุ მ นั้นไม่ใช่กําลังเกิดแต่มนิณีสีไม่ใช่ไม่เคยเกิดในพันคขณะแห่งอุปาติจิต ของบุคคลผู้บัตรอยู่ในสุทธาวาสภูมิบุคคลผู้บัตรอยู่ในอสรญยสัจตภูมิปัญญีสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิดและมนณีสีก็ไม่เคยเกิดปฏิโดมปุจฉามนิณีสีของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยเกิดปัญญีสีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้กำลังอุบัติในสุทธาวาสภูมิ มนินีสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยเกิดแต่ปัญญินีไม่ใช่ไม่กำลังเกิดในพังค์ฆะณาแห่งอุปติจิตของบุคคลผู้บตดอยู่ในสุทธาวาสภูมิและอสัญญสัตตภูมิมนินีสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยเกิดและปัญญินีก็ไม่ใช่กำลังเกิดปัญญตรียมูลกกาในจบ